เดจะต้องทำใจให้ภากันตั้งใจอะไรก็ใจดวงเดียวนี่แหละอย่าไปสงสัยเป็นอย่างอื่นให้ภากันรักษาใจดวงนี้ให้มันได้มเมื่อรักษาใจดวงนี้ได้แล้วได้มดทุกอย่างพระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอน พุทธบริษัทโดยปริยายต่างๆมนั้นมันลวนแต่เป็นอุบายฝึกใจดวงเดียวนี่ขอให้พากันเข้าใจเราจึงจำอุบายเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นให้มันได้นี่นะแล้ยวก็เอาไปสอนใจตัวเองเป็นอย่างนั้นหรอกไม่ใช่มุ่งอย่างอื่นใด ใจนี้ถ้าหากว่าอุบายไม่เพียงพอมันก็ไม่ค่อยเชื่อมันไม่ลงอแต่นี้ถ้ า, าว่าเรามีอุบายแยกคลายสมเหตุสมผลกันแล้วอย่างนี้จิตนี่มันจะลงไดทิ้งใดที่ควรละมันก็ละได้สิง้งใดที่ควรทํามันก็ทําได้เพราะมันเห็นนี่นั่นแหละ ปัญญาและเป็นเครื่องสองให้จิตนี่มองเห็นเหตุผลนั้นนั้นมองเห็นเช่นความทุกข์อย่างนี้นะเอา้ามันมีเหตุผลอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราพิจารณาเรื่องทุกข์อย่างนี่มันมีเหตุผลของทุกข์อยู่แล้วแต่ว่า ผู้ที่ไม่ได้ฟังอุบายคำสอนของพระพุทธเจ้าแนละ้วมันมันไม่มีอุบายที่จะมาสอนใจให้เบื่อทุกข์ในสงสารนี้เพราะว่าทุกข์เหล่านี้มันก็มีกิเลสมีตัณหาเป็นเหยื่อล่อทำให้ใจเพลินไปตามอารมณ์ที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆแลยมันก็ลืมทุกข์ไปพักหนึ่ง อนี่แหละเป็นเหตุให้คนเราไม่เบื่อหน่ายต่อทุกข์นี่นะเพราะมันมีเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์แต่อย่างนั้นเังนั้นก็จะมีอุบายสอนใจของตนว่าความทุกข์นั้นมันไม่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาของตนและของคนอื่น ไม่มีใครเลยปรารถนาความทุกนี้แล้วรู้จักทุกไหมล่ะจึงว่าไม่ปรารถนาทุกนี่ปัญหามันอยู่ตรงนี้นะบางคนก็ไม่รู้จักทุกทั้มนะนั่นเห็นทุกว่าเป็นถุกไปอย่างนี้นะอันเนี้ยเช่นอย่างว่าจิตใจของตนเน่ยมันอยากได้อะไรต่ออะไรเอ่อเพลินไป มันนึกถึงอารมณ์ที่น่าชอบใจมาแล้วก็ทําให้เพลินไปอย่างเนี้อืะมันก็เลยเลยไม่เห็นว่าไอความคิดที่เพลินไปอย่างนั้นมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยมันมองไม่เห็นเลยเนี่ยนี่นะก็เท่ากับว่าไม่เห็นทุกข์นั่นแหละเพราะเพราะทุกข์นั่นมันเกิดมาจากเหตุอ <c oughs> เช่นเป็นนักบวชอย่างนี้ ถ้าปล่อยใจให้เพลินไปตามอารมณ์ที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆแล้วเช่นนี้เนี่ยมันก็เป็นเหตุให้แสวงหาอะไรแบบนี้นะเมือเ่อไปได้สิ่งที่ต้องการปรารถนานมาแล้วไม่ใช่มาแล้วจะเอามาตั้งไว้เหมือนพระพุทธรูปนี่แ่บนี้ไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องประคบประหงมอะไรเลยอย่างนี้ไม่ใช่ได้อะไรมาแล้วต้องรักษาต้องดูแล ต้องเลี่ยงดูฟูเสือสารพัดนัน่นน่ะบัดนั้นน่ะมันความทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วฮะนี่มันก็เป็นเหตุไปแต่ความรักความใครนี่เองแหละไม่ใช่อื่นไกลอะไรอ่ะดันั้นผู้ใดรู้จักต้นเหตุแห่งทุกข์อย่างนี้แล้วก็กําหนดละความรักความใครอ่อะไรนี่ให้มันออกจา ก, กจิตใจไปเรื่อยๆเห็นโทษของมันเนี่ย เห็นโทษด้วยปัญญาเนี่ยถ้าขืนยึดเหือความรักความใคร่อยู่นี้มันจะต้องได้รับทุกทนทรมานอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยมันมองเห็นแล้วเมื่อมันมองเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้มันก็เบื่อแล้วเบื่อหน่ายในความรักความใคร่เมื่อมันเบื่อหน่ายแล้วมันก็กําหนดละได้ถ้าใจมัยังชอบกับความรักความใคร่อยู่มันก็ละไม่ได้มันเป็นอย่างนั้น มันอยู่ที่ใจอย่างเดียวยังว่ามันไม่ใช่อื่นไกลอ่ะแม้ความโกรธก็เหมือนกันนะถ้าว่าใจมันยังรักความโกรธอยู่ยังไม่เบื่อไม่ได้ยังไม่เห็นโทษของมันอนะ่ะมันไม่มีทางแนละ้วมันจะละได้เอ่มันก็ยึดเธอเอาไว้อยู่อย่างนั้นนะผู้ที่ไม่เห็นโทษแห่งความโกรธก็เพราะขาดปัญญาอย่างว่ามานั่นเนะี่ยขาดเหตุขาดผลขาดการวิจาร มันไม่เอามาวิจารณ์ดูเลยไอยก้กิเลสที่มันหมักหมมันอยู่ในหัวใจเนี่ยมันถึงไม่เบื่อไม่ไนายเอเรื่องมันนะผู้ที่เบื่อน่ายนั้นเนื่องจากว่าคนเอามันมาวิจารณ์ดูอความโกรธนี่มันดีอย่างไรฮะมันให้คุณให้โทษอย่างไรบ้างอย่างนี้นะแต่ถ้าผู้ที่เอามาวิจงวิจารณ์ดูแล้วมันก็ต้องเห็นว่าความโกรธนี่คุณแม้น้อยหนึ่งก็ไม่มี มันมีแต่โทษ ฝ, ฝ่ายเดียวเลยอ่าก็เมื่อมันมีแต่โทษ ฝ, ฝ่ายเดียวแล้วทําไมไปยึดถือมันไว้ทําไมไปสร้างมันขึ้นในใจนี้อ่อย่างงี้ก็ปัญญาก็สอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้แหละทําไมไม่เบื่อไม่นายเอ่เมื่อมันให้โทษให้ทุกฝ่ายเดียวแล้วมันสงฟอนจะเบื่อหน่ายได้แล้วกันเมื่อปัญญามันสอนใจเข้าไปอย่างนี้ใจมันก็เห็นชอบตามปัญญามันก็เบื่อหน่ายเอ่า เมื่อเบื่อหน่ายมันก็คลายความยึดความถือไอความโกรธนี่ไปเรื่อยๆเมื่อเมีอารมณ์ไม่ดีไม่งามอะไรก็เท่ากัทั่งมามันก็ห้ามจิตไม่ให้สร้างความโกรธขึ้นมานี่มันเบื่อนี่เฮ้ยอันนี้มันเป็นทุกข์เป็นโทษอย่าไปสร้างมันขึ้นมาเตือนตนเข้าไปอย่างนี้มันก็มันก็หยุดลงได้ใจมันก็ไม่สร้างความโกรธให้เกิดขึ้น มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะเพราะนั้นนี่เราพูดกันเอาแต่เนื้อๆไปเลยออ่ะืพูดเอาแต่แนวทางที่จะกําจัดกิเลสเหล่านี้ออกจา ก, กจิตใจนี่ดันั้นมันจึงสรุกแล้วมันจึงว่ามันขึ้นอยู่กับความชอบใจหรือไม่ชอบใจนี่นะอยู่นี่นะถ้าสิ่งใดถ้าเราไม่ชอบใจแล้วเราเบื่อมันนะมันต้องคลายออกแน่นอนเลยใจนี่นะ มันจะไม่ลืินเอาไว้ดอกที่มันเกินเอาไว้นี่ยเพราะมันยังชอบใจอยู่เรื่องมันนะออให้พากันสันนิฐานดูใจตัวเองทุกคนว่าตอนมันยังกลืนเอากิเลสอะไรไว้อยู่ในหัวใจนี่นะมันยังชอบมันอยูมันต้องมีแหละแต่ละคนเนี่ยมันต้องมีะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดไม่ค้นคว้าดู หน้าตาของกิเลสอย่างว่านี่แล้วมันก็ละ ก, กิเลสไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นว่าเป็นนักบวชอย่างนี้นะนักบวชนี่มันก็มีอะไรนะ่ะราคะตัณหาเนี่นะเป็นส่วนใหญ่เลยเป็นเป็นกิเลสที่มันขัดขวางไม่ให้ประพฤติพรหมจรรย์ยืนยาวนานไปได้แม้ความโกรธก็เหมือนกันเนี่ย ผู้ใดมีนิสัยโทสาจริตโกรธง่ายอย่างนี้นะเดี๋ยวไปกระทบกระทั่งกับคนอื่นเข้าไปบ่อยๆเข้าตนกระทบเพื่อนเพื่อนก็กระทบตนบ้างก็เดือดร้อนใจใจสงบลงไม่ได้แล้วก็อยู่ไม่ได้เลยในพรมจรจันทร์ไปไหนก็มีแต่คนรังเกียจอย่างนี้น ะ, ะไม่มีไม่มีใครรักให้เคารพนับถือเพราะว่าไปแสดงแต่บท โหดร้ายให้แก่คนอื่นอย่างนี้นะลองคิดดูตรงวาดภาพดูให้ดีเพราะว่าคนนงหลายในโลกนี้ไอความโหดร้ายเนี่ยไม่ชอบเลยอนะ่ะไม่ชอบชอบแต่ความดีชอบแต่ความนิ่มนวลอ่อนหวานเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ใดมันเพ่งพี่นะดูจิตของตนเห็นว่ามันมากไปด้วยกิเลสดังกล่าวมานี่ ก็ต้องพยายามพิจารณาเห็นโทษของมันด้วยปัญญาจริงๆเมื่อเห็นโทษเข้ามาแล้วจะเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็หาอุบายละมันไปเรื่อยๆลยแก่การเจริญเมตตาปรารถนาให้ตนและผู้อื่นเป็นผูกทั่วหน้ากันไปเรื่อยๆไม่ปรารถนาให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนนะเราไม่ต้องการฮไม่ต้องการทําให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนอ เมื่อเราไม่ต้องการอย่างนั้นก็ระมัดระวังกิริยาทางกายทางวาจาในเมื่อเข้าสังคมต้องพูดให้มันนิ่มนวลอ่อนหวานพูดให้มีเหตุมีผลไม่เถือมั่นในความเห็นของตนฝ่ายเดียวก็ผ่อนผันในคนอื่นเขาเห็นไปบ้างเหมือนี้นะต้องยืดยุ่นกันนะเพราะว่าถ้าพูดถึงทำมาส่วนละเอียดเข้าไปแล้ว ไอ้ความรู้ความเห็นต่าง ๆ, างๆวันนี้ล้วนแต่เป็นอนิจจังทั้งนั้นเลยล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงออแล้วจะเราจะไปถือมั่นไว้ทําไมอ่ะผู้ใดถือมั่นในเรื่องวันนี้ใบแสดงว่าไม่ได้เจริญภาวนาไม่ได้เจริญวิปัสนาเลยเอ่ไม่มองเห็นสังขารธรรมทั้งหลายมีความเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนไปแตกดับไปเป็นธรรมดาความรู้อย่างนี้ไม่เกิดขึ้นในใจของครูนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงไปถือมั่นอะไรอะไรตามชอบใจของตัวเองไว้เมื่อความถือมั่นมีอความถือตัวมันก็มีความกระด้างกระเดืองความไมอ่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลผู้คนอ่อนอ่อนน้อมถ่อมตนนี่มันก็มีขึ้นแหละเพราะความถือมั่นนั้นนะ่ะเป็นมูลเหตุน่ทําให้จิตมันกระด้างกระเดืองนี่ ให้พากันรู้จักกิเลสในหัวใจของใครของเราต้องค้นคว้าต้องเพ่งพินดดิ์ดูดีๆอย่าไปเพ่งดูอย่างรุวกๆไปเฉยๆสังเกตดูถ้าผูใ้ใดช่างสังเกตย่อมรู้เรื่องของตัวเองได้ดีดีกว่าให้ผู้อื่นพยากรณให้นี่แหละคำตักเตือนอันนี้นว่าสำคัญมากทีเดียว啊 เพคนส่วนมากนะั้นมันมันอ่านตัวเองไม่ออกนะเนี่ยนไม่ทราตัวเองเป็นอยู่ไงอ่ะตนเองจะต้องแก้ไขตัวเองอย่างไรบ้างสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในใจตัวเองนี่มันมีอะไรบ้างเนะี่ยมันไม่ค่อยคิดไม่ค่อยรู้กันนะเรื่องมันนะดังนั้นจึงว่าได้มาตักเตือนกันนี่นะให้หัดสติสมัมปชัญญโน้มเข้ามาภาวนาเข้าไปเอ่ เพ่งเข้าไปภายในให้ใจมันสงบมันตั้งมั่นลงแล้วมันจะอ่านตัวเองออกได้แบบนี้นะมันจะอ่านจะริดริดใสตัวเองออกได้อ่านความยึดมั่นถือมั่นในใจนั่นไมันถืออะไรไว้มันก็เห็นเมื่อมันเห็นอย่างนี้มันก็สอนใจให้ละสิ่งนั้นแบบนี้นะถือมั่นไวไม่ไหวอันนี้มันเป็นทุกข์อย่าไปถือมันเลย ปล่อยมันเสียวางมันเสียอย่างนี้นะตัวเองสอนตัวเองอยู่อย่างนั้นในภาวนา น, นั้นเนะ่ยจิตนีเมื่อถูกปัญญาท่มสอนเข้าไ ป, ไปบ่อยๆเข้าไปอะ่ะมันก็รู้ถึกตัวได้เรื่องมันนะมันรู้ถึกตัวได้มันกลละความยึดความถือนั้นได้มันเป็นอย่างนี้อูบายวิธีสอนจิตนี่นะ มันก็มีอยู่หลายวิธีนะ่ะพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะเช่นนึกถึงความตายหมู่นี้นะมันก็เป็นอุบายถอนอุปทานความยึดมั่นถือมันทั้งนั้นแหละให้เข้าใจอา้าวก็เมื่อตายลงแล้วเราได้อะไรติดตัวไปล่ะนี่ลองถามตัวเองดูสิมันได้อะไรก็ได้ในสิ่งที่ตนยึดถือไว้ได้ความโลภได้ความโกรธได้ความหลงนะติดตัวไป ถ้าตนไม่ละมันน่ะนั่นมันก็เป็นอย่างนั้นแหละทีนี้อสมบัติภายนอกแม้แต่รูปกายอันนี้ก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปสักหน่อยเดียวแต่สิ่งที่ติดตัวไปก็คือกิเลสตัณหาอย่างที่ว่ามานั่นแหละที่ตนไม่ยอมละมันน่ะอมันก็ติดตามไปเป็นตัวกรรมมานําให้ไปเกิดในทุกคติภูมิบ้างทุคติภูมิบ้างอะไรนี้เพราะว่าทีนี้เมื่อมันยึด อารมณ์ฝ่ายอากุศลไว้มันก็นําไปสู่ทุกขสีภูมิเมื่อมันยึดอารมณ์ฝ่ายกุศลไว้มันก็นําไปเกิดในสุกติภูมิเหมือนก็มีเท่าๆนี้อันสิ่งที่จะติดตามตัวไปฮนะเราคิดดูให้ดีผู้ดใดคิดได้อย่างนี้แล้วอา้าวแล้วมันก็ไม่ยึดถือเอาอารมณ์ที่เป็นอกุศลแบบนนี้นะอารมณ์แห่งความโลภอารมณ์แห่งความโกรธอารมณ์แห่งความหลงนั่นนะนั่นแหละ เป็นอารมณ์แห่งอกุศลนะให้เกิดอกุศลจิตขึ้นมาอย่างนี้นะมันเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยึดถือเอาอ่ะอไม่ยึดถืออ า, อารมณ์อนั้นเลยแม้ว่ามันจะมีใครหรือว่ามันมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมามายั่วให้รักบยั่วให้โกรธยั่วให้หลงให้เมาเอาตนก็ไม่ไม่หลงรักไม่หลงทางไปตามเพราะเหตุว่า มันรู้ดีอยู่แล้วนี่ว่าอารมณ์เหล่านี้นะมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่มันรู้ด้วยปัญญาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจึงไม่สร้างมันขึ้นมาเลยกว่นี้มีอะไรมีเหตุอะไรกระทบกระทั่งมาก็ไม่ไม่ยึดถือเอาเหตุนั้นเลยกาหนดละทิ้งไปเลยจะเป็นคนก็ตามเป็นสัตว์ก็ตามเป็นธรรมชาติอื่นใดก็ตามกระทบกระทั่งมาอย่างนี้ก็รู้เท่าทันหมด ไม่ยึดไม่ถือเอาไว้อกําหนดปล่อยกําหนดวางในปัจจุบันนี่แหละเลยไปอืมบเปอย่างนั้น <c oughs> อุบายวิธีลากความยึดกวาถือเนะี่ยมันก็ต้องนึกหลายอุบายเนะี่ยมาสอนใจเนี่ยเมื่อใจมันมองเห็นว่าอืจริงนะจนมาใส่ในร่างกายอันนี้ร่างกายอันนี้มันจะต้องแตกดับในที่สุดแน่นอนเลย เมื่อเมื่อร่างกายนี้แตกดับไปแล้วมันก็อาศัยอยู่ในร่างกายนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องถอนตัวออกไปอื่วันนี้สิ่งใดที่จะติดตามดนไปก็มีแต่กรรมดีกรรมชั่วที่ตัวยึดเอาไว้นั่นมันก็มีเท่านี้เองเนี่ยบนันนี้เมื่อท่านพูดละทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่วอะไรได้หมดแล้วออท่านก็ไม่ไปไม่มาแล้ววันนี้นะออไม่ไปไม่ไปโลกหน้าไม่ ไม่มาคืนหลังอะไรเลยนะเดี๋ยวว่าไม่มีการเกิดต่อไปอีกเพราะว่าบาปท่านก็ละไปหมดแล้วอย่างนี้นะฟอกใจด้วยวิปัสสนาญาณนะสอนใจให้ละสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษต่งางๆหมดไปแล้วส่วนความดีต่งางๆท่านก็ทำมาสมบูรณ์แล้วเส้นศินก็รักษาให้บริสุทธิ์มาแล้ว สมาี่ก็ได้ทําให้ใจแน่วแน่ลงไปอยู่แล้วอปัญญาก็ได้เจริญเต็มที่แล้วมองเห็น ท, ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นเรื่องที่ควรยึดถือออท่านก็ปล่อยวางไปโดยได้โดยเด็ดขาดแล้วอย่างนี้นะท่านผู้เช่นนั้นนะ่ะท่านก็จะไม่ได้ไปเกิดในที่ไหนๆนั่นแหละจิตก็ตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้อื ไม่ไม่ไม่เพ่งไปในอดีตอนาคตอะไรเลยอืเป็นอย่างนั้นไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกทั้งหมดนี่แหละจุดปุ่งหมายผู้บำเพ็ญทางจิตใจเนี่ยก็ก็หลงลอยเดียวกันนี่แหละทั้งหมดเลยนะสำหรับผู้เดินทางที่ถูกต้อง่ะผู้เดินทางผิดก็อย่างว่านั่นแหละมันมันก็ไปมุ่งอย่างโน้อนอย่างนี้ไปยึด อันใดอันหนึ่งตามที่ตนเห็นว่ามันถูกต้องนะัว่าอย่างนี้มันก็ไม่แหละไม่เป็นทางค้นทุกไปได้ที่มันจะค้นทุกไปได้ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นไงต้องต้องกรวจการคำนวณดูถ้าหากผู้ใดรู้ตัวว่าเอเสินตนก็ยังไม่บริสุทธิ์ดียังไม่เป็นปรมาถสินได้อย่างนี้หรือยังไม่เป็นอัติศินได้อย่างนี้ ก็พยายามรักษาศีลเนี่ยมันเข้มงวดเข้าไปอ่ะการที่รักษาศีลให้เข้มงวดเข้าไปพูดสั้นๆว่าต้องขจัดความโกรธนี่ออกจากจิตใจนี่ให้มันได้ให้มันน้อยให้มันเหลือน้อยที่สุดเลยจนไม่สามารถที่มาทำลายเจตนาอันเป็นกุศลในใจของตนให้ระ ง, งับไปไม่ไม่ให้ผิด เจตนาเป็นอกุศลขึ้นมาเลยไม่แต่ขนาดจิตเดียว น, นี่นี่จึงเรียกว่าอธิสินนะสินเป็นใหญ่กว่าความโกรธความเหยายบบาตต่างๆนนามุนั่นะนะใจก็พยายามบำเพ็ญให้มันตั้งมันลงไปจริงๆทั้งกลางวันและกลางคืนนะสังเกตตัวเองได้นะ เอากลางวันเนี่ยตนยืนเดินนั่งนอนอยู่นี่ไปไงจิตตั้งมั่นอยู่หรือว่าไงอ่ะนี่ก็พยายามรู้ตัวอยู่เนี่ยหรือว่าจิตพุ่งสร้านไปยังไงอะจิตหลงยินดียินร้ายไปกับอะไรอย่างนี้นะก็ก็กำลังรู้อยู่ถ้าถ้าว่าจิตไม่หลงยินดียินร้ายไปกับสิ่งใดก็รู้ก็รู้ตัวอยู่ได้ อย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นผู้รักษาสมาธิไว้ได้ตลอดเวลาท่านจึงเรียกว่าอาัจิจิจนะเนี่ยเรีว่าจิตเป็นใหญ่จิตใหญ่จิตตั้งมั่นอย่างไม่งอนเงีนคลอนแคลนตอนเจริญปัญญาอย่างนี้ก็เจริญเอาจริงๆริงยังจังเพ่งพิ จ, จรารณาจนเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นของว่างจากสัตว์จากบุคคลนะจากตัวจากตนเราเขาอะไรหมดนี้ไม่มีเขาเราไม่มีอยู่ในสปรพสิ่งทั้งปวงในโลกอันนี้นะโดยเฉพาะในอัตภาพร่างกายอันนี้แหละไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์อะไรอยู่ในนี้ถ้าว่ามีก็มีโดยสมมติเท่านั้นเองนะแต่โดยประมั์แล้วไม่มี วันนี้เราพยายามยังจิตลงไปให้มันถึงปรามัตถธรรมอย่าให้มันติดอยู่เพียงแค่สมมุติปัญญัติเท่านั้นนี่นะความมุ่งหมายการบำเพ็ญทางวิปัสสนาญาณก็ให้มันแก่กล้าขึ้นไปอย่างนี้เ <c oughs> <c oughs> ช่นนี้แหะเมื่อเราบำเพ็ญเข้าไปอยู่เนี่ยมันก็ทําให้อินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นไปโดยลําดับ เรื่องมันเป็งนงั้นมันก็แก่กล้าขึ้นไปได้เท่าใดมันก็กําจัดกิเลสให้เบาวางออกไปเท่านั้นนะอันนี้มันหมายถึงว่าบุคคลผู้ที่อินทรีย์อ่อนอยู่ก็ต้องบำเพ็ญไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละอบรมไปอย่างนี้อินทรีย์มันก็ค่อยแก่กล้าขึ้นแล้วมันก็ค่อยขจัดกิเลสให้เบาออกไปเบาออกไป เรื่อยไปอย่างนี้นะซึ่งไม่เหมือนอย่างท่านผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วนั่นนะ่ะหรือว่าแก่กล้ามากแล้วยังยังจะต้องทําเพิ่มเติมนิดหน่อยเท่านั้นเองเมื่อท่านมาบำมเพนเข้าไปถูกทางแล้วนี่มันก็ไม่นานเลยอินทรียนะ์มันก็เต็มรครบเลท่านก็หลุดพ้นจากทุกข์ภัยไปได้โดยง่ายได้ เราจะไปอ้างเอาแต่ท่านผู้หลุดพ้นไปได้อย่างรวดเร็วนั้นมาเป็นแบบแผนว่าโอ้ท่านเหล่านั้นยังหลุดพ้นไปได้ง่ายนี้ทําไมเราจะไม่หลุดพ้นล่ะพอทําไปไม่หลุดพ้นไปได้ง่ายได้ตามประสงค์อย่างว่านั้นก็เลยท้อใจไอ้ถือว่าตนไม่มีวาสนาอีกแล้วก็เลยท้อใจออ ไม่ต้องการอยาททำความเพียรแล้วไอ้ผู้ใดเข้าใจอย่างนั้นน่าเรียกว่าเข้าใจผิดไปอ่ะเข้าใจผิดไม่ถูกทางเพราะว่าการสั่งสมบุญการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาอย่างว่าอันนี้นะไม่ใช่ว่าเราจะไปบีบคั้นเอาให้มันแก่ทันอกทันใจได้ อย่างนี้ได้ตามประสงค์ไปเลยอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าว่ามันทำได้อย่างนั้นแล้วใครเราจะไปตกค้างอยู่ในโลกนี้นะผู้ที่มา <c oughs> <c oughs> ผู้ที่มารู้คำสอนของพุเทเจ้าแล้วนี่จะต้องทำความเพียรรีบเร่งบีบตัวเองเข้าไปให้มันหลุดพ้นไปได้ไง่ายๆนั่นเลย ถ้ามันเป็นไปได้แล้ว ม, มันจะมีคนค้างอยู่โลกอันนี้เหลอนั่นเนี่ยแล้วก็เข้าสู่นิพพานกันไปหมดแล้วสิ <c oughs> อันนี้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุเมื่อทำเหตุมากผลมันก็มากขึ้นอย่างนี้เขากลิ่นทุกยอย่างนะข้างส่วนโล ก, กีก็ดีส่วนโล ก, กุตระก็ดีนี่มันต้องอาศัยเหตุกับผลนะ ออทำเหตุมากผลมันก็มากขึ้นไปเมื่อทำเมตุดนั้นให้เต็มเลยผลมันก็เต็มเลยมาเนี่ยมันก็จะทำอีกต่อไปไม่ได้แต่มันเต็มแล้วนี่เหมือนอย่างตักน้ำใส่โอ่งใส่ไห้เมื่อมันเต็มแล้วไปตักใสกมันก็ล้นทิ้งไปอย่างนี้แหละมันก็หยุดตักกันเท่านั้นเองเนะนี่เรียกว่าผู้นั่นเรียนผู้ วารเพ็นเหตุอันนั้นให้เต็มเปี่ยมแล้วเพราะฉะนั้นผลมันก็เป็นแค่นั้นแหละมันจะมากไปกว่านั้นไม่ได้ดังนั้นให้พากันเข้าใจความมุ่งหมายอย่างนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วมันจะเป็นเหตุให้เราได้ตั้งความภาคเพียรพยายามลงไม่ท้อไม่ถอยในการฝึกตนสอนตนดังที่แนะนํามาเนี่แหละ ให้พากันฉลาดสอนตนหาอบายมาสอนจิตสอนใจของตนเป็นผู้ครองเรือนทั้งหลายให้กลวดกลาดูตนถ้าถ้าตนน่ดให้ทานนั่นตนก็ยังไม่ได้ให้อย่างนี้นะให้ก็ให้เดือนทีปีโห น, น่งอย่างนี้เนี่ยก็พยายามหาอบายสอนใจตัวเองเข้าไป ก็เมื่อตนให้ทานน้อยมันก็จะได้รับผลแต่น้อยจะได้รับความสุขแต่เล็กน้อยคนอื่นเขาทามากเขาก็จะได้รับความสุขมากเช่นนี้ตนจะต้องการแต่ความสุขเล็กน้อยเท่านี้หรือไม่ต้องการความสุขมากๆกหรือนีอ่ก็เมื่อเหตุผลอย่างนี้มันปรากฏขึ้นในใจแล้วผู้นั้นมันก็รีบเร่งนะ่ะขอนขวายในทานการกุศลต่างๆเข้าไป ไม่ท้อไม่ ถ, อ, มถอยเพราะว่าดูจะหาเงินนะเมื่อได้หมื่นหนึ่งแล้วก็ยังไม่จุใจ น, น, นี่นะเออไม่พอใช้ย่อยมูหมื่นหนึ่งเนี่ยอต้องถ้าได้สักสองหมื่นจะยังชัวร์เพราะว่าดันหาไปพอได้สองหมื่นแล้วพวอวางโครงการลงเอาไปสร้างบ้านหลังหนึ่งก็ไม่ได้เงินสองหมืนนะ่นอย่างนี้ต้องหาอีกจะ ต, ต้องหาเพิ่มเติมเข้าไปอีก อ, อย่างนี้แหละ อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละคนเราเมื่อเราสร้างบุญสร้างกุศลมาเพียงเท่านี้หนึ่งโอ้บุญกุศลเท่านี้จะพาเราไปสวรรค์ก็ไม่ได้ไปพระนิพพานก็ไม่ได้ อ, อ่ไม่ไหวเราต้องเกิดอีกเกิดอีกต้องได้สวรทุกเพราะว่าบุญน้อ ย, อออยนี่นีเ่เตือนตนเข้าไปอย่างนี้แหลมันก็ขยันเข้าไปอย่างว่านั่นแหละ นี่เมื่อการรักษาศีลบางคนก็ได้บ้างเสียบ้างเมื่อไม่มีเหตุที่จะทำให้ศีลขาดมาถึงเข้าก็ศีลก็มีอยู่คันพอมเวลามีเหตุมาถึงเข้าแล้วก็ไปทำลายศีล น, นั่นเสียอย่างนี้เป็นส่วนมากแหละคนนะดังนั้นควรรู้ตัวควรหาอบายส้อนใจตัวเองว่าคนไม่มีศีล น, นี่ พอพระเจ้าทรงสละก้อนตายแล้วมีจะบ่ายหน้าไปสู่นรกอาบายภูมิลูกเดียวเลยจะไม่ไปที่อื่นแล้วเพกคนเมื่อไม่มีศีลแล้วมันก็ไปทําบาปแเลอไม่ไม่เคารพต่อพุทธบัญญัติแล้วนะออไม่มีข้อบังคับกายวาจาใจอะไรไว้เลยอย่างนี้นะเจอบาปมันก็ทําบาปไปนะอ้าวเจอบุญก็ทําบุญไปอย่างนี้นะแล้ววันนี้ ผลที่ได้รับมันก็ได้ทั้งสองอย่างสินี้นั่นแหละสอนตนเข้าไปตนต้องการแบบนี้หรือครันเมื่อได้เสวยสุขไปไปพอสมควรแล้วหนอ น, หนึ่งไอ้บาปกรรมที่ทําเนี่ยมันตามมาทันเข้ามันให้ผลเข้าไปไอ้ความสุขที่ได้รับมานันก็หายไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทนอย่างนี้ชอบเหรออย่างนี้นี่ถามโดยเองเข้าไปสิ แน่นอนนะทุกคนก็ต้องตอบตัวเองได้เลยว่าไม่ชอบชอบอย่างไรนะั่นชอบจะให้มีความสุขสม่ำเสมอเรื่อยไปก็ถ้าเช่นนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามรักษาสิ่นนี้ให้มันสม่ำเสมอเรื่อยไปอย่าไปทําลายสีในขาดอย่าไปหลงอพอใจอยู่แต่ในชีวิตอันเด่นของไม่เที่ยงเท่านี้ผลขวายหาอะไรต่ออะไรมาบํารุงผลปืนมัน บำลุงเท่าไรมันก็ไม่เที่ยงอยู่ดีๆอยู่แล้วเอเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปดิ้นโลนมาหามันทําไมอ่ะจริงได้มันผิดศีลแล้วก็ไม่ทําไม่แสวงหามันเลยจริงได้ไม่ผิดก็จริงแสวงหามันอย่างนี้สอนใจเข้าไปอย่างนี้เนะ่ยในที่สุดผู้นั้นก็จะอาจจะมีศีลสม่ำเสมอไปได้แม้สมาธิก็เหมือนกันเนะอเมื่อทําใจสงบลงไม่ได้ ในคราวนี้เอาก็ตั้งใจไว้ว่าต่อไปแล้วจะพยายามทำให้สงบให้มันได้อย่างนี้นะก็เพียรพยายามทำไปตั้งใจไม่ท้อไม่ถอยเข้าไปอย่างนี้สักวันหนึ่งมันก็ต้องสงบลงได้ก็เพ่งความรู้อันเดียวนั่นแหละอย่าไปสงสัยลังเลอะไรความรู้นั่นแหละคือดวงจิตเป็นอะไร หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อยู่นั้นกระเสวะว่าคนเราไม่ได้น้อมสติเข้าไปประคองความรู้นั้นไว้เมื่อความรู้คือจิตนี้ไม่มีสติปกครองอยู่แล้วมันก็คิดต้านไปทั่วแล้ววันนี้นะอ่ามันเคยคิดไปถึงเรื่องอะไรมันก็คิดเรื่อยไปหรือว่ามีเหตุอะไรกระโซขมามันก็คิดปรุงไปตามเหตุั้นนั้นไปเลยนั่นเรียก ว, ว่าจิตไม่มีสติคุมครอง แล้วมันก็เป็นสมาธิไม่ได้เดีอย่าไปสงสัยทำไมจิต